ก็จะตั้งใจไว้ได้กิเลสกองโมหะคือความหลงคือเอาผิดต่างๆก็เหมือนกัน <c oughs> เมื่อประมาทปัญญาเสียอย่างเดียว คือไม่ใช่ปัญญาพินิษพิจารณาให้ดีหลงเชื่อหลงถือเอาผิดด้วยเข้าใจว่าถูกต้องเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ล้มไปด้วยอรกของโมหะคือความหลงโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่าหลง เข้าใจว่าตัวเองถูกแต่อันที่จริงนั้นผิดหลงดังนี้ก็น่าสงสารเพราะไม่รู้ว่าหลงคิดว่ารู้คิดว่าถูกเพราะเหตุที่ประมาทปัญญาเผลอปัญญาไม่ใช้ปัญญาพินิจพิจารณา ไม่ใช้วิจารณญาณใครครวนไตรตรองให้รอบขอบแต่ถ้าหากว่าไม่โดนเชื่อไม่โดนถือเอาโดยง่ายพินิษ พ, พิจารณาเสียก่อนย่อมจะหลงน้อยเข้า หรือว่าไม่หลงในเมื่อรู้ถูกต้องจิตก็จะตั้งอยู่ได้ด้วยปัญญาเป็นแสงสว่างนำทางปฏิบัติในทางที่ถูกต้องปัญญานี้เป็นข้อสำคัญแต่คนเราที่หลงปัญญาเผลอปัญญาประมาทปัญญากันโดยมากนั้น ก็เพราะว่าไม่ได้ควบคุมจิตใจให้เป็นสมาธิและไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลตามสมควรเมื่อเป็นดังนี้จิตใจที่ขาดสมาธิก็เป็นจิตใจที่แกว่ง ดังที่เราเรียกว่าลำเอียงก็เป็นความแกว่งนั่นเองแกว่งไปด้วยอำนาจความชอบบ้างความชังบ้างความหลงบ้างความกลัวบ้างต่างๆจึงจับความจริงไม่ได้ก็ไม่เกิดปัญญาค่ะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนให้ทำสติปัฏฐาน สำหรับที่ได้ควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบหัดให้จิตได้พบกับความสงบให้ตั้งมันอยู่ในทางที่ดีและให้ได้ปัญญาคือความรู้ในตนเองซึ่งเป็นข้อสำคัญสติปัะฐานทุกๆข้อนั้น ล้วนเป็นเครื่องทำให้เกิดสติพร้อมทั้งปัญญารู้ในตนเองทั้งนั้นรู้ในลมหายใจเข้าออกรู้ในอิริยาบถรู้ในอาการของกายต่างๆการเรียกว่าสติบ้างสัมปชัญญะบ้างเป็นต้นและนอกจากนี้ ยังจำเป็นที่จะต้องรู้วิธีที่จะระ ง, งับกิเลสกองราคะโทสะโมหะเป็นต้นอีกด้วยเพราะกิเลสนี้เองหากว่ายังมีอำนาจมากอยู่ก็จะครอบครองบุคคลให้ไปในอำนาจของกิเลส ได้มากและยังทำให้จิตใจนี่หลงมากขึ้นด้วยร้อนหลงไปในยมชมชอบกิเลสชอบกิเลสกองโลภะหรือราคะกิเลสกองโทสะกิเลสกองโมหะเมื่อไปรักไปชอบกิเลสเขาแล้ว ก็ทำให้ละกิเลสได้อยแล้วบรรดากิเลสเหล่านี้กิเลสกองราคะท่านก็นจัดไว้แล้วนําหน้าราคะโทสะโมหะความติดใจยินดีก็เป็นตัวราคะซึ่งมีปรากฏอยู่ในจิตใจ เวลาที่ประสบอารมณ์ทั้งหลายและตัณหาในจิตใจนี้เองก็ต้องการอารมณ์ของราคะก่อนคือต้องการจะได้อารมณ์ที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจทั้งนั้น <c oughs> แปลว่าตั้งราคะขึ้นมาไม่มีใครต้องการจะได้อารมณ์ที่เป็นที่ตังของโทสะ ต้องการที่จะได้อารมณ์มันเป็นที่ตั้งของราคะทั้งนั้นหรือต้องการอารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสผลตัอพระที่น่ารักให้ปราทนาพอใจทั้งนั้นเมื่อได้มาก็ยิ่งติดมากขึ้นถ้าไม่ได้มาจึงจะเกิดโทสะความโกรธแค้นเคือง และก็มีโมหะคือความหลงนิหนุนอยู่ทั้งนั้นทั้งในทางชอบทั้งในทางชังยังเรียกกันว่าหลงรักหลงชังเพราะฉะนั้นเมื่อมีราคะนำอยู่ดังนี้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนข้อปฏิกุลและประ คือข้อที่พิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยของไม่ปะสะอาดมีประการต่างๆ <c oughs> ด้วยให้จับพิจารณาซึ่งกายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปว่าเต็มไปด้วย สิ่งที่ไม่สะอาดมีประการต่างๆคือเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บดันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัธิกระดูก อีิมินยังเยื่อในกระดูกวกักกังไตอะไดยังหัวใจยะกนังตับกิโลมะกงังพังผืชเปียหะกังม้ามปับผาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตะทางสายรัดไสอุดรยังอาหารใหม่ กรีสังอาหารเก่าปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำสลดิดอบโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสดนน้ำเงือเมโดมันข้นอัสูน้ำตาวสามันเหลว เคโลน้ำลายสิงคานิการน้ำโมกละสิกาไขาข้อมุดดังมดเป็นอาการส1อแต่ว่าที่เรียกกันว่าอาการส2สบสองนั้นเพราะในพระสูตรบางพระสูตร ได้เติมเข้ามาอีกข้อหนึ่งคือมัทธะเกมัทธหลุงกังขมองในขมองศิสะเติมไว้ท้ายธาตุดินท้ายธาตุดินนั่นก็คือว่ากีสังอาหารเก่าแล้วก็เติมมัทธะเกมัทธลุงัง ขมองในขมังศรีรษะเขาตรงนี้แต่หากว่าแม่ไม่เติมท่านก็แสดงว่าสรุปมัทะเกมัทะลงกังขมังในขมังศรีรษะเข้าในยื่นในกระดูก อธิมินยังเลือในกระดูกตรัสสอนให้พิจารณากายนี้จำแนกออกไปโดยอาการสาสิบเอ็ดหรือสามสิบสองดังนี้ว่าเป็นสิ่งปฏิกูลไม่สะอาดทั้งนั้นและโดยจำเพาะ ข้าข้อข้างต้นท่านให้สอนนาคผู้จะเข้ามาอุปสมบทหรือบรรพชาบก่อนคือเกสาผมโลมาขนนาคาเล็บดันตาคันตะโจหนังถือว่าเป็นมูลกรรมฐาน กรรมฐานที่เป็นมูลคือเป็นรากเงาเป็นมูลรากเงาของอะไรก็ของกรรมฐานทั้งปวงตลอดจนถึงวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนถึงวิชาบิดติ หรือมรรคผลนิพพานคือกรรมฐานทั้งสองสมถกรรมฐานวิปัสนากรรมฐานตลอดจนถึงมรรคผลนิพพานหรือวิชาวิมุต t นั้นก็จะต้องมีกรรมฐานห้าข้อนี้เป็นมูลเป็นรากเงาทั้งนี้ก็เพราะว่าเมื่อจิตนี้ มีราคะนำอยู่ดังที่ได้กล่าวมาข้างตน้นการปฏิบัติบำราบจิตคือบำราบราคะในจิตลงไปด้วยกรรมาฐานห้าข้อนี้และเมื่อบำรับลงไปได้การที่จะปฏิบัติให้ก้าวหน้า ในกรรมฐานทั้งปวงต่อขึ้นไปจึงจะทำได้ท่านจึงเรียกว่ามูลละกรรมฐานกรรมฐานที่เป็นมูลต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสละตั้งใจทาความสงบสืบต่อไปมัดนี้จะแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรม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 ตสติจนสติปรากฏในกายเวทนาจิตธรรมย่อมเป็นเอกายานมัตตคือทางไปอันเอกทางไปอันเดียวเพื่อความบริสุทธ ของสัตว์ทั้งหลายคือของผู้ปฏิบัติทั้งโปรงดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงไว้และได้ทรงจำแนกแจกธรรม ในทุกทุกหมวดไว้หลายข้อหลายประการสำหรับให้เหมาะแก่ชั้นของผู้ปฏิบัติจริตอัธยาศัยของผู้ปฏิบัติ ซึ่งจะเลือกยกเอาขอ้อใดข้อหนึ่งขึ้นเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติก็ย่อมได้ทั้งสิ้นนั่นแหละอันทุกทุกคนนั้นย่อมมีจริตอัธยาศัย เนื่องด้วยราคะโทสะโมหะอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นจะฝึกปฏิบัติไวไ้หลายหลข้อก็ย่อมเป็นการดีดังเช่น ฝึกหัดปฏิบัติในข้อให้กำหนดลมหายใจเข้าออกฝึกหัดปฏิบัติทำความรู้ในอิริยาบททั้งสี่และในอิริยาบทเล็กน้อยทั้งหลาย ัดกำหนดพิจารณากายนี้ว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ31อหรือส2สองอาการและฝึกปฏิบัติกำหนดาธาตุทั้งสี่ ดังที่ได้ตรัสสอนไว้ในวันนี้จะได้แสดงอธิบายวิธีกำหนดพิจารณาแยกธาตุทั้งสี่ที่ตรัสสอนเอาไว้ในข้อว่าด้วย กล่าวคือกายนี้ย่อมเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราจึงปรากฏสัตตสัญญาอัตตสัญญาความสำคัญหมายว่าสัตบุคคลโตตนเราเขา อยู่ในกายนี้ฉะนั้นจึงได้ตรัสสอนให้พิจารณาแยกกายนี้ออกไปเป็นธาตุทั้งสี่คือส่วนที่แข่งแข็งก็เรียกว่าปฐวีธาตุธาตุดินส่วนที่เหลวไหลเออบาบ ก็เรียกว่าอาโปธาตาดน้ำส่วนที่อบอุน่นก็เรียกว่าเตโชธาตัดไฟส่วนที่พัดไหวก็เรียกว่าวายโยถธาตัดลมและในหลายพระสูตรที่ได้ทรงแสดง วิธีพิจารณาแยกธาตุนี้ไว้อย่างพิสดารคือได้ตรัสสอนให้พิจารณาอาการทั้งหลายในกายนี้ส่วนที่แข็งแข็งก็เป็นธาตุดินเป็นต้น และได้ตรัสแนะนำให้พิจารณาว่าส่วนใดบ้างเป็นส่วนที่แข็งแข็งเป็นต้นบรรดามีในกายนี้ดังที่ได้ตรัสสอนเอาไว้ให้พิจารณาจำแนกออกไปดังนี้ ส่วนที่แข่งแข็งบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือเกศผมโลมาขนนาาเล็บดันตาฝันตะโจหนังมังสังเนื้อนหารูเอ็นอธิกระดูก อธิมินยังเยื่อในกระดูกวักกังไตหะเดยังหัวใจยักกะนังตับกิโลมกังพังผืดปีหะกังม้ามประผาสังปอดอันตังไสใหญ่อันตตกกุนังสายรละไสอุริยังอาหารใหม่กะรีสังอาหารเก่า แหละได้มีเติมอีกหนึ่งคือมัทเเกมัททลุงกังขอมองในขอมองศีสะก็รวมเป็นยี่สิบอาการและอาการอื่นใดอันเป็นส่วนที่แข็งแข็งซึ่งมีอยู่ในกายนี้ก็เรียมก็รวมเรียกว่า บ, บาดทวีธาตุดินทั้งหมดอันหนึ่งส่วนที่เ อ, อิบอาบเล้วไหลบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือปิดตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลตอบโโบน้ำหนองน้ำเหลืองโลหิตตังน้ำเลือดเสดโดน้ำเงือเมดโดมันข้น อสุน้ำตาวสา ม, มันเหลวเคโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำโมกละศิกาไขข้อมุดตังมุดและสิ่งอื่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้อันเป็นของเออบาบเหลวไหลก็รวมเรียกว่าอาปโปธาต น้อันหนึ่งส่วนที่อบอุ่นที่ร้อนบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้กล่าวคือเยนสันตปติไฟที่ทำร่างกายให้อบอุ่นเยนจิริยติไฟที่ ทำให้ร่างกายแก่ชำรุดสุดโทมเยนปรินัยหะติไฟที่ทำให้ร่างกายเร่าร้อนเยนาอสิตะปีตะคายตะสายตงสัมมาปรินามังกัจจติไฟที่ทำให้อาหารที่กินที่ดื่ม ที่เขี้ยวที่ลิ้มถึงความย่อยไปได้โดยชอบและส่วนที่อบอุน่นที่ร้อนอื่นบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็รเรียกว่าเตโชธาตธาตุไฟอันหนึ่งส่วนที่พัดไหว บรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็คืออุทธังกมาวาตาลมที่พัดขึ้นเบื้องบนอโทกมาวาตาลมที่พัดลงเบื้องตำ่ำอุทิศยาวาตาลมที่อยู่ในท้อง อดทสยาวาตาลมที่อยู่ในไส้หรือในกระเพาะอาหารอังกะมังกานุสาริโนวาตาลมที่พัดไปในอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งหลายอัดสาโสลมให้ใจเข้าปัดสาโสลมให้ใจออกและ สิ่งที่พัดไว้อื่นใดบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ก็รวมเรียกว่าวายโยธาธาดลมในพระสูตรนี้ได้แสดงธาตุไว้สี่ดังนี้แต่ในพระสูตรอื่นได้มีแสดงเพิ่มไว้อีกหนึ่งคืออากาศาธาตุธาตุอกอากาศ ได้แก่ช่องว่างกล่าวคือบรรดาช่องว่างบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้คือกันนัดิดดังช่องหูนาสัตขิดดังช่องจมกูกมุขดวารังช่องปากเยนจะอสิตะปีตะขายิตัง สายิตังอจโชหาติช่องที่กลืนอาหารที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มลงไปยัทัะอสิตะปีกะปีตะขายิตะสายิตังสันติทติช่องที่อาหารที่กินที่ดื่ม ที่เขี้ยวที่ลิ้มตั้งอยู่เยนจะอสิตะปีกระขายิตะสายิตังอโทภาการนิคมติช่องที่อาหารเก่าออกไปในภายล่างแหละช่องว่างอื่นใดบรรดาที่มีอยู่ในกายนี้ทั้งสิ้นก็รวมเรียกว่า อากาศสะท่าธาตุอากาศตรัสสอนให้พิจารณาแยกกายนี้ออกเป็นาธาตุทั้งสี่หรือาธาตุทั้งห้าเมื่อเป็นดังนี้าธาตุสัญญาความสำคัญหมายว่ า, าธาตุจะบังเกิดขึ้นสัตตสรา อัตตาสัญญาความสําคัญหมายว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็จะหายไปท่านแสดงว่าธาตุกรรมฐานนี้เป็นเครื่องกําจัดนิวรข้อวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยอันวิจิกิจฉาคือความเครือบแคลงสงสัยนั่น ย่อมมีมูลฐานตั้งอยู่บนตัวเราของเราและเมื่อมีตัวเราของเราก็ย่อมจะมีความเครือบแคลงสงสัยในตัวเราของเราในอดีตบ้างในอนาคตบ้างในปัจจุบันบ้าง ฉะนั้นตัวเราของเรานี้เองจึงเป็นที่ตั้งแห่งความเครือบแคลงสงสัยทั้งหลายเป็นส่วนมากหรือเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนิวรณ์และตัวเราของเรานี้ก็ตั้งขึ้นดิกายนี้นั่นเองกล่าวคือยึดถือกายนี้ว่าเป็นตัวเราของเรา ก็คือยึดถือว่าเป็นสัตว์บุคคลโตตนเราเขานั่นเอง